สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วนะครับผมนายทกรณชอบเล่าวันนี้ในหมวดเรื่องเล่าจากทางบ้านผมจะขอหยิบยกประสบการณ์ของคุณแมนสุพลดูพุท ธ, ธาท่านสมาชิกของทกรณชอบเหล้าจากฝั่งลาวบ้างนะครับคุณแมนได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับผีภูงให้ผมนํามาถ่ายทอดต่อให้ทุกท่านได้ฟังซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแมนเองเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ คุณแมนได้เล่าให้ฟังว่าสวัสดีครับผมแมนเรื่องที่ผมไปเจอมานี้ขณะนั้นอายุผมเพียง17ปีในวัยนั้นกําลังเรียนหนังสืออยู่เหตุการณ์ที่ผมไปพบมานี้มีผู้ร่วมจตากรรมกับผมอยู่อีกสองคนนั่นก็คือคําพุทธกับไอพึ่งเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงนั้นเป็นฤดูฝนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ฝนนั้นจะตกบ่อยอากาศโดยทั่วไปตามแถวบ้านผมถือว่ายเย็นสบาย เย็นจนเกิดอาการขี้เกียจคือมันสบายจนไม่อยากจะไปโรงเรียนวันนั้นผมลุกจากที่นอนเตรียมตัวจะไปโรงเรียนเพราะฝนได้หยุดตกแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนตามปกติช่วงพักกลางวันวันนั้นเจ้าคําพุดก็ชวนผมว่าวันนี้ไปตีกบกันไหมแมนผมก็ตอบไปว่าไปดีและจะมีใครไปกับเราอีกบ้างอะคําพุดก็บอกว่ามีไอ้พึ่งอีกคนที่จะไปกับพวกเราผมเลยบอกว่าตกลงงั้นคืนนี้เจอกันและมาถึงกําหนดการนับเวลานัดเมื่อดวงตะวันรับขอบฟ้าลงไป ผมนั้นก็ปั่นรถจักรยานไปหาไอ้คําพุดเมื่อเราพบกันแล้วก็ปั่นจักรยานกันต่อไปหาไอ้พึ่งเพราะจุดหมายที่ผมจะไปะตีกบกันนั้นจําเป็นต้องผ่านบ้านไอ้พึ่งพอดีหรือเมื่อปั่นจักรยานไปถึงก็เห็นว่ามันนั่งรออยู่แล้วเป็นอันว่าครบทีมเมื่อครบแล้วไอ้พึ่งก็บอกว่ารีบไปกันเถอะเพราะบนหนทางนั้นยังอีกยาวไกลพวกเราต้องปั่นรถจักรยานไปอีกประมาณ2กิโลเมตรเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายที่เราจะไปตีกบกันสมัยนั้นตามบ้านนอกท้องทุ่งก็ยังมีการทํามาหากินแบบบ้านา น, นหล เรียกว่าการออกหากบจับปลานั้นเป็นเรื่องปกติแต่หากเทียบกับหมู่บ้านอื่นแล้วก็ถือว่าที่นี่ยังไม่ชนในบทมากเท่าไหร่ก็คือว่ายังไม่บ้านนอกมากเราทั้ง3ามคนนั้นก็ปั่นรถจั ก, กรยานไปคุยกันไปเรื่อยไอ้พึ่งก็บอกเลยว่าวันนี้เรานด้จะได้กบกันเยอะแน่แนเพราะตอนเช้าอ่ะฝนมันตกหนักผมเลยหันไปมองหน้าไอ้คำพุทธก็เห็นว่ามันยิ้มยิ้มแล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ากูได้มานะกูจะจับปิ้งกินกับข้เหนียวแทบๆหรือมึงและพอคิดตามที่มันพูดไปผมก็เห็นภาพ นำลายนี่ไหลเลยขณะที่ผมปั่นรถจักรยานส่องไฟฉายคุยกันไปเรื่อยๆนั้นบรรยากาศมันก็มืดน่ากลัวอยู่แล้วและก่อนที่จะไปถึงต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งตอนนั้นจู่ๆก็มีลมพัดแรงขึ้นมาลมที่พัดนั้นเป็นลมที่เย็นและพัดแรงมากถึงขนาดว่าผมเนี่ยขนลุกทั่วตัวเลยด้วยจะว่ากันจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากๆระหว่างที่ผ่านต้นไทรที่ลมพัดแรงอยู่นั้นผมแทบไม่อยากจะหันไปมองต้นไทรนั่นเลยมันทั้งมืดและก็น่ากลัว มองดูใบของมันที่ลมพัดแรงๆทาให้จินตนาการได้มากมายชวนหลอนได้ดีทีเดียวและเมื่อพวกเราปั่นรถจักรยานพ้นต้นไทรนั้นออกมาลมที่พัดแรงๆนั้นก็เบาลงและก็หยุดไอ้พึ่งก็พูดขึ้นมาว่าลมอะไรวะมันพัดแรงแค่ตรงต้นไทรเนี่ยกูว่าตรงต้นไทรนั้นมันต้องมีอะไรแน่ๆเข้าไปดูให้มาดูกันเลยดีไหมไอ้พึ่งเป็นชวนแน่ดันมากล้าหาเนระะไรตอนนี้ผมคิดในใจก็เลยรีบตัดบทไปว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเวลาฝนตกก็เป็นอย่างนี้แหละ อย่าไปสนใจมันเลยความจริงแล้วระหว่างที่พูดนั้นผมมีความกลัวมากแต่ก็ไม่อยากที่จะแสดงออกไปเพื่อนทั้งสองคนนั้นเห็นเดี๋ยวมันจะล้อผมได้ว่าไอ้ขี้คลาดขี้กลัวหรือปอดซึ่งไม่ดีแน่ถ้าจะต้องโดนล้ออย่างนั้นก็เลยรีบชวนกันปั่นรถจักรยานไปหาจุดหมายเรื่อยๆท่ามกลางบรรยากาศข้างทางที่มืดมิดและแล้วพวกเราก็ปั่นไปกันจนถึงสะพานข้ามแม่น้ําและสะพานข้ามแม่น้ําแห่งนี้มันมีอดีตและก็เรื่องเล่าบันทึกจากขนหลังอันน่ากลัวของสะพานแห่งนี้ ก่อนจะสร้างสะพานนี้สําเร็จได้ก็ต้องมีคนตายสังเวยชีวิตกันลงไปตัวผมรู้ประวัติสะพานนี้ดีแต่เพื่อนสองคนมันไม่รู้เพราะว่าเพิ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่กันใหม่ก็เลยไม่รู้อะไรแต่ในความรู้สึกของผมวันนี้รู้สึกมีความกลัวกับสะพานแห่งนี้มากกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านและระหว่างที่กําลังปั่นรถจักรยานข้ามสะพานนั้นไอ้พึ่งไม่รู้มันนึกอะไรร้องเพลงขึ้นมาเสอย่างนั้นผมก็เลยบอกมันว่าเฮ้ยอย่าร้องเพลงกลางคืนเขาว่ามันไม่ดีโบราณก็บอกไว้ มันก็สวนผมกลับมาเลยว่ามันจะเป็นอะไรวะระหว่างนั้นไอ้คําพุธที่ไม่พูดจากับใครก็เบรกรถกระทันหันเพราะว่าไปเจอกับทางแยกเข้าพอดีซึ่งเป็นทางแยกที่สามารถพาเราไปยังบ้านนาผาด้างได้ไอ้พุดเป็นก็บอกเลยว่าแมนกูว่าเราไปตีกบที่บ้านนาผาด้างน่าจะได้เยอะนะเว้ยแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกแหละครับว่าผมเป็นคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนไอ้สองคนนี้ผมรู้ว่าทุ่งนาผาด้างน่ยมันมีกบเยอะมากและมันก็มีเรื่องเล่าที่น่ากลัวที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ได้เล่าให้ผมฟังตั้งแต่เด็กด้วย ผมเลยบอกกับพวกมันทั้งสองคนว่าไม่เยอะหรอกผ่านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งดีกว่าเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่มีประมาณ20หลังคาเรือนไป ต, ตีที่ทุ่งนาหมู่บ้านนั้นกูว่าน่าจะได้เยอะกว่าว่ะมันสองคนหันไปมองหน้ากันแล้วหันมาหาผมก็เป็นอันว่าตกลงเราปั่นรถจักรยานต่อไปอีกประมาณ1กิโลเมตรรู้สึกโล่งใจที่เช็กจูงมันสองคนได้และเมื่อไปถึงจุดหมายพวกเราทั้ง3าคนพร้อมด้วยอุปกรณ์ก็แยกทางกันออกหากบแต่ก็ไม่ได้แยกกันไกลนะัก ผมนั้นเป็นคนที่ขี้กลัวมากอยู่แล้วจึงไม่อยากออกไปไกลาจากเพื่อนมากก็หาไปส่องไปแต่ก็ไม่เจอกบสักตัววันนั้นแปลกมากหาไปอยู่นานก็ไม่ได้สักตัวผมก็เลยเดินเข้าไปหาไอ้คำพุดถามมันว่าได้เยอะหรือเปล่าวะมันก็บอกว่าไม่ได้เลยเหมือนกันแล้วก็แยกย้ายกันหาตามเคยแต่แปลกผมไม่เห็นแสงไฟฉายของไอ้พึ่งเลยก็เลยถามไอ้คำพุดว่าเห็นไอ้พึ่งบ้างไหมคำพุดก็ตอบมาว่าไม่เห็นเลยสงสยัยก้อนหินจะบังมันอยู่ อ๋อทุ่งที่ผมไปหากบกันนั้นมันมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินด้วยลักษณะจะเป็นหย่อมหยอมแหง้หงบางครั้งพอแสงของไฟฉายไปกระทบโดนมันเข้าก็เหวอได้เหมือนกันเพราะรูปร่างของมันนั้นจินตนาการไปได้อีกเยอะแต่ผมก็พยายามสะก ด, ดจิตใจที่จะไม่สนใจแล้วก็ไม่คิดอะไรก็ตั้งหน้าตั้งตาหากบต่อไปหาไปจนลืมไปพึ่งไปเลยและตอนนั้นผมก็ต้องหยุดอยู่กับที่เพราะไปเจอกับซากกบตัวหนึ่งนอนตายเนื้อตัวซีดขาวเหมือนกบตัวนั้นไม่มีเลือดเลย แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพียงแต่คิดว่าอ่าแสดงว่าที่นี่มีกบก็หาไปหามาจนไปถึงคูน้ําแห่งหนึ่งปรากฏว่าแสงไฟฉายของผมมันส่องไปเห็นชายคนหนึ่งกําลังก้มๆเงยๆหาอะไรอยู่สักอย่างเหมือนกับว่าตอนนั้นกําลังไล่จับอะไรอยู่แต่ที่น่าแปลกก็คือแสงไฟฉายของเขาดูเหมือนว่ามันกํำลังจะหมดผมเลยค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเดินเข้าไปใกล้ได้เพียงประมาณ5เมตรแค่เพียงขันกั้นแต่ผมเองก็ไม่ได้ส่องไฟไปหาเขานะ เพราะว่าการส่องไฟไปหาเขานะ่ยมันเป็นการเสียมารยาทผมก็เลยแค่ส่งไฟไปตามข้างตัวของผมซึ่งกําลังจะก้าวขาข้ามคันน้ําไปหาเขาด้วยใจที่มุ่งมั่นอยากจะเข้าไปถามไถ่เขาว่าได้เยอะหรือเปล่ากบนะและเมื่อเดินเข้าไปใกล้จริงๆชายคนนั้นก็หันหน้ามาดวงตาของผมกับชายคนนั้นประสานกันเต็มที่ผมแทบจะเข่าอ่อนมือหมดแรงข้องจับกบของผมนั้นหลุดออกจากมือชายคนนั้นเจ้าหน้าของผมผมเองก็ได้แต่จ้องหน้าเขาใบหน้าของชายคนนั้น ยังมีกบคาอยู่ที่ปากของเขาและแสงที่ผมเห็นว่าเป็นแสงของไฟฉายที่ใกล้จะหมดนั้นมันไม่ใช่มันคือแสงที่ออกมาจากหูและจมูกของชายคนนั้นเขาจ้องหน้าผมผมได้จะยืนตัวสัน่นเหงื่อแตกลมหายใจติดขัดหัวใจเหมือนว่าจะหยุดเต้นซะให้ได้ความคิดทุกอย่างสับสนวุ่นวายความกลัวเข้ามาเต็มที่ความเย็นวา่าปล่อยไปทั่วสันหลังบอกไม่ถูกทั้งหนาวและก็เหงื่อแตกใจอยากจะหันหลังวิ่งหนีออกไปซะ แต่ขาก็ขยับไม่ได้มันก้าวไม่ออกเลยชายคนนั้นจ้องหน้าผมแบบไม่กระพริบตานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันนานมากแต่หูของผมก็ยังได้ยินเสียงของไอ้พุทเรียกหาผมแมนแมนอยู่ไหนว่าแมนสิ่งที่ร้องเรียกมาแต่ไกลก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมเริ่มจะมีความหวังเพราะเสียงของเพื่อนก็ยังร้องเรียกอยู่แมนแมนกลับบ้านเถอะเฮ้ยผมอยากจะพูดตอบมันออกไปแต่ปากก็ไม่ขยับเสียงไม่สามารถจะออกจากปากได้ สายตาที่จ้องผมอยู่แบบเขมงนั้นก็ยังคงจ้องอยู่ไม่กระพริบมันเป็นความทรมานมากเหลือเกินเวลานั้นชายคนนั้นไม่ขยับผมเองก็ไม่ขยับต่างคนต่างนิ่งถ้ายืนนิ่งอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเองก็ไม่ว่าอะไรหรอกปากของเขาก็ายังคงคาบกบอยู่อย่างนั้นนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนเสียงของเพื่อนที่เรียกเงียบไปผมนึกว่าเพื่อนจะเห็นผมและเข้ามาหาผมเพราะแสงไฟของผมก็เปิดไว้แต่ก็ไม่กล้าที่จะฉายไฟออกไปจากจุดนั้น จนผมได้ยินเสียงเพื่อนของผมเดินเข้ามาหาแล้วก็พูดว่าแมนมึงจะมายืนเก๊กท่าในแบบทําไมวะระหว่างที่เสียงที่มันถามนั้นมันก็เดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและเมื่อใกล้เข้ามาเรื่อยๆชายคนนั้นก็กระโดดลงไปตอนนี้ผมเข่าอ่อนฟุบลงกับพื้นเลยเพื่อนสองคนเห็นก็วิ่งเข้ามาถามว่ามึงเป็นอะไรวะผมพูดไม่ออกได้แต่ชีด้ด้วยมือไปที่ชายคนนั้นแล้วไอพุดกับไอพึ่งก็หันไปมองจึงเห็นว่าชายคนนั้นกําลังก้มอยู่ลักษณะนั้นเหมือนเขาอาตินทงสองข้างมาชิดกับใบหู แล้วก็กระโดดขึ้นไปเมื่อกระโดดไปชายคนนั้นก็ทํากิริยาเดิมอีกโดดดึงไปเรื่อยๆเราทั้งสามคนเห็นชายคนนั้นทํากิริยาอย่างนั้นชัดเจนเพราะไม่มีอะไรมาบางังไอ้พุทบอกว่าเฮ้ยผีพงไอ้พึ่งไม่ฟังใครจะวิ่งเข้าไปหาบอกว่าวกูจะจับมันผมต้องล็อกแขนไอ้พึ่งไว้ทันทีแล้วก็บอกว่าให้กลับกรับกลับกรับกันเถอะไอ้พุทเลยบอกว่าแม่กูเคยบอกว่าถ้าเราอดินติดตัวไว้ผีพง์จะพาเราบินขึ้นไม่ได้พอไอ้พุทพูดจบ ผมก็รีบหยิบดินจะใส่กระเป๋ากระเกงทั้งสีถุงเลยแนวคนมันกลัวจะทําอะไรได้ไอ้พึ่งเห็นหัวเราะชอบใจแล้วก็ตามภาษาของวัยรุ่นผมเลยหันไปถามนว่าหัวเราะหาพ่อมึงเหรอตูดผมยิ่งก็กลัวอยู่ไอ้สองคนนั้นมันไม่กลัวไอ้พุทธันว่าวันนี้เราไล่จับผีกันเลยดีกว่าผมเลยบอกกับพวกมันว่ากูไม่อยู่กูจะกลับไอ้พึ่งก็พูดขึ้นมาว่าปอดแทงละดิเรามีกันตั้ง3ามคนแล้วมันคนเดียวมึงจะกลัวอะไรวะผมก็บอกว่า คนเดียวที่มึงว่าน่ยมันไม่ใช่คนไอ้พึ่งก็หันมาบอกว่ามึงจะกลัวทําไมดินเต็มกางเกงขนาดนั้นผมเลยบอกว่าเอางั้นเหรอจากนั้นไอ้พึ่งนําหน้าต่อมาก็ผมไอ้พุดอยู่หลังสุดแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆกับชายคนนั้นผมกระตุนไม่ไหวหันหลังวิ่งออกมาจากเพื่อนก่อนวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปที่รถจักรยานต่อมาไอ้พุทก็วิ่งตามไอ้พึ่งก็วิ่งตามมาติดๆพอควบรถจักรยานกันได้ก็รีบปั่นกันกลับระหว่างทางไอ้พุทธเป็นบอกว่ามึงเห็นหน้ามัน มึงระ ว, วังตัวด้วยอย่าให้คนแปลกหน้าเอาอะไรมาเหวี่ยงข้ามหลังคาบ้านมึงนะไม่งั้นครอบครัวมึงวอดวายแน่เมื่อกลับไปถึงบ้านกันแล้วผมก็ทําตามอย่างที่มันบอกรอจนกระทั่ง3วันผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนแปลกหน้าก็ไม่มีผมจริงรู้สึกโล่งใจและนี่ก็คือประสบการณ์เกี่ยวกับผีโพงของผมครับที่ผมได้ประสบพบมาจริงๆที่ประเทศบ้านผมครับใครรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แต่สําหรับผมเวลาที่เจอตอนนั้นมันน่ากลัวมาก และนี่ก็เป็นประสบการณ์ของท่านสมาชิกของทะกรอนคนชอบเล่าจากประเทศลาวครับขอขอบคุณคุณแมนสุพลดวงพุทธาผู้แชร์เรื่องราวประสบการณ์ลี้ลับให้เราได้ฟังกันครับและการเล่าของผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ตามนะครับขออภัยนะครับแต่ผมรู้สึกมีความสุขกับทุกเรื่องของท่านสมาชิกที่ให้ผมได้นํามาถ่ายทอดนะครับท่านใดมีประสบการณ์ก็ฝากไว้ที่อินบ็อกซ์ในแฟนเพจได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ